กราบบูชาพระตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนถวายความเคารพมายังพระอาจารย์วัฒนชัยขอโอกาสเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไม่ชีและก็นักปฏิบัติธรรมถูกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันนาปกติเนาะเออวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่สอง มิถุนายนพุทธศักราช2558เมื่อวานเราก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชา <c oughs> ซึ่งก็เท่าที่ทราบข่าวก็ในประเทศไทยเราก็ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ชาวไทยโดยเฉพาะชาวพุทธก็มีการ ทำบุญตักบาทเวียนเทียนบางส่วนก็เข้ามารักษาศีลในวัดของเราก็มีส่วนหนึ่งก็ถือโอกาสนี้ได้มาประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนอกจากการให้ทานการรักษาศีลเราก็มาเจริญภาวนาซึ่งก็เป็นบุญสูงสุด ในพุทธศาสนาเมื่อเราไปศึกษาพุทธประวัตินะก็จะทราบว่าเมื่อประมาณ 2,603 ปีที่ผ่านมานะเป็นวันที่เจ้าชายเนี่ยได้ประกาศอิสรภาพจากความหลงความหลงผิดนะที่คิดว่าความสุขเนี่ยหาได้จากบุคคล หาได้จากวัตถุภายนอกด้วยการปลนเปลอทำอะไรตามความอยากที่มันจะผลักไสที่มันจะกระตุ้นให้เราทำไปตามมันจนสุดท้ายท่านก็บพบว่าการที่เราปลนเปลอตัวเองด้วยความสุขสนุกสนานก็ดี ด้วยทรัพย์สินเงินทองก็ดีด้วยผู้คนก็ดนะีเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ชั่วประเดียวประดาวไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็สุดท้ายก็เห็นความไม่เป็นสาระของสิ่งเหล่านี้นะสุดท้ายท่านก็เลยลีกหนีนะ่จากชีวิตที่ เคยสะดวกสบายเคยสนุกสนานเคยเพลิดเพลินนะในสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ชีวิตอย่างนักบวชนะซึ่งก็สุโตรงไม่ทางหนึง่งนะก็คือมาใช้ชีวิตที่อดอดอดีกอยางทนะรมานร่างกายเพราะไปเชื่ อ, อว่าหรือไปหลงผิดเอาวา่าความทุกข์หรือกิเลสเนี่ย มันเกิดจากร่างกายของเราเพราะนั้นต้องทรมานมันเป็นะปทรมานคิดว่ากิเลสมันอยู่ที่ตัวที่ตนอยู่ที่ร่างกายนะจนเกือบตายนะดีว่าท่านมีปัญญาก็พบว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะไม่มีใครทำได้มากขนาดนี้แหละเรียกว่าเกือบตายก็ไปละลึกได้ว่า เมื่อตอนสมัยเป็นเด็กนะได้ไปร่วมพิธีแรกหนะ้าขวัญกับพ่อนะก็ได้สัมผัสกับความสงบนะที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะก็คือได้ไปนั่งใต้ต้นว่านะแล้วก็ได้สัมผัสกับความสงบความสุขนะซึ่งตรงนั้นเนะ่เป็นจุดที่ทำให้ท่านหัวละลึกถึง ว่าการที่เราจะออกจากความทุกข์ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทรมารร่างกายไม่ใช่เป็นการปลเื้อทำอะไรไปตามใจอยากแต่มันรู้จักหยุดนะรู้จักหยุดความอยากได้ <c oughs> สัมผัสกับใจที่เป็นปกตินะได้เป็นขณะนั้นตรงนี้เองนะท่านจึงเลิกบาเพ็ญบาเพ็ญเพียรทางการทรมารร่างกาย แล้วก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตนะซึ่งในพุทธประวัติก็ได้กล่าวถึงนะเมื่อตอนที่ท่านได้มาพิจารณานะโดยการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะสุดท้ายท่านก็พบว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความอยากนะโดยเฉพาะตัวตัณหาที่มันสร้างให้เราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นะเกิดเป็น พบเป็นชาตนะิคือคำว่าพบชาติเนี่ยนะก็อาจจะมองได้สองความหมายคือพบชาติทางร่างกายและพบชาติในทางจิตทางใจนะซึ่งพบชาติในทางจิตทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยการเจริญสตินะจนเกิดญาณปัญญาเราเห็นรู้ทันความอยากนะที่เป็นตัวปรุงแต่ง นะทำให้เราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะอยากจะเป็นผู้ที่บางครั้งลำรวยอยากจะเป็นคนที่มีความสุขนะอยากจะเป็นผู้ที่ไม่รู้จักทุกเลยอะไรอย่างนีนะ้นี่เป็นสิ่งที่เป็นความอยากซึ่งความอยากเนี่ยสุดท้ายมันก็จะความไม่รู้เท่าทันนะก็จะความหลงนะภาษาบาลีเราเรียกว่าอาวิชชานั่นเอง ตัวนี้นี่แหละนะที่พุทธองค์ได้ค้นพบในวันวิสาข บ, บูชาแล้วกล่าวออกมาเลยว่าเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดเราหักเสียแล้วโครงเรือนในที่นี้ก็หมายถึงพบชาติในจิตในใจนั่นเองที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เท่าทันเมื่อ่านเห็นอย่างนี้ ความอยากก็ดีความคิดปรุงแต่งก็ดีนะก็มาหลอกไม่ได้ท่านก็เห็นชัดนะเห็นแล้วเห็นอีกนะในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยง่างจิตจนเกิดการเบื่อหน่ายปล่อยวางนะสุดท้ายท่านก็เป็นอิสระเป็นอิสระจากความหลงผิดเป็นอิสระจากความอยากเป็นอิสระจากความยึดติด ในาสิ่งต่างๆที่เคยหลงผิดไปวันนั้นจึงเป็นวันประกาศอิสรภาพจากความหลงผิดหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวันตื่นรู้จากความหลงผิดก็ได้วิสาขาบูชาจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการที่เราเพียงแค่ทำบุญให้ทานรักษาศีลซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ไม่ดี แตชาวพุทธเราเนี่ย <c oughs> ถ้าอยู่เพียงแค่นั้นนะเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการตัดสู้ของุูธเจ้าที่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราน่าจะได้กระทามากกว่าการทำบุญให้ทานรักษาศีลเวียนเทียนนะเท่านั้นเพราะนั้นการที่เราจะมาเดินตามรอย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือการที่เรามาเจริญจิตภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะด้วยรูปแบบต่างๆก็ตามนะซึ่งที่วัดป่าสุขโตเนี่ยเราก็จะส่งเสริมสนับสนุนนะในเรื่องนี้และทุกท่านที่มาที่นี่โดยส่วนใหญ่ก็คงมีจุดมุ่งหมายมีความตั้งใจ ที่จะมาเรียนรู้เรื่องนี้การกระทำเช่นนี้นี่แหละที่จะเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา 2,603 ปีที่ผ่านมาความหลงผิดความเชื่อผิดๆของคนเราในปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างจากสมัยนั้นหลายคนในสมัยนั้นเชื่อว่าความสุขก็ดี ความสมปรารถนาก็ดีมันจะมีสิ่งโดนบันดาลมีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลให้เราก็เพียงแต่อ้อนวอนขอร้องขอความช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันถ้าเราติดตามข่าวสารขอหวยบ้างขอให้สำเร็จ ขอให้มีสิ่งที่ตัวเองได้ปรารถนาเพียงแต่ขอแต่ไม่ทำนะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ในฐานะชาวพุทธเราเนี่ยเรายังหลงงมงายกันอยู่นะหลงงมงายในการที่ต้องไปพึ่ง <c oughs> สิ่งศักดิก์สิทธิ์ภายนอกเจ้าชายิตาหรือพระเจ้าเนี่ยท่านได้ปลดปล่อยเรื่องนี้ ท่านได้ออกจากความหลงผิดนี้แล้วสมัยนั้นเชื่อกันว่าการกระทําอะไรจะสําเร็จจะต้องอาศัยเทพเจ้าต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตเป็นไปตามพรหมลิขิตแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ชีวิตเราอยู่ที่กรรมลิขิตสิ่งที่เรากระทําด้วยตัวเราเองเทพเจ้าอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ เราจะพึ่งไม่ได้สิ่งที่เราพึ่งได้คือกำลังสติปัญญาของเราที่เรียกว่าตาอัตโนนาโถนั่นเองเพระาะฉะนั้น <c oughs> การบูชาวันวิสาข บ, บูชาเนี่ยเราจะต้องหันกลับมาถึงสิ่งที่ท่านได้ตัดสู้ความคิดความเชื่อที่ต้องไปพึ่งสิ่งภายนอก <c oughs> เป็นสิ่งที่ เราหวังอะไรมากไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานั่นแหละใจเราอะที่ได้ฝึกฝนจนรู้เห็นความหลงผิดสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งบรนดาลให้ชีวิตของเราดำเนินไปอย่างราบลื่นสามารถที่จะห่างไกลจากความทุกข์ได้ ถ้าชาวพุทธเรายังไม่เชื่ออย่างนี้เรายังไปเชื่อสิ่งโดนบันดาลยังไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายการตัดสูนของพระ เ, เจ้านั้นเราไม่ได้รับประโยชน์เลยเราก็จะเพียงแค่รอวันให้สิ่งอื่นๆมาโดนบันดาลและเราก็ไม่กระทำซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเสียเปล่าไปสูญเปล่าไป วันหนึ่งวันหนึ่งแต่ไม่ได้ก็ตามที่เราลุกขึ้นมานะประบัติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้คนพบได้นำเสนอไว้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามของเราแม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคความเคยชินเก่าๆความลำบากที่มันมาขวางกั้นจะเป็น ความง่วงเหงาเหานอนก็ดีความเบื่อก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีเมื่อเราฝึกปฏิบัติเราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันจะแสดงตัวออกมาให้เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นในการฝึกปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปกลัวมันแล้วก็อย่าไปยอมแพ้ก็เปรียบเทียบเหมือนเป็นพญามาร ที่พยายามมาขวางกั้นขวางกั้นไม่ให้เรามาทำความดีโดยเฉพาะการที่เรามาเจริญสติมาทำความรู้สึกตัวเราพยายามที่จะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวความง่วงมันก็มาชวนให้เราออกไปจากความรู้สึกตัวบางคนง่วงมากๆทนไม่ได้ยอมแพ้มันกลับไปนอน นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายัางไม่เข้มแข็งพออินทรีย์เรายังอ่อนเพราะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งอาศัยความตั้งใจความศรัทธาความเพียรพยายามความอมดทนในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆความง่วงก็ดี ความเบื่อก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีความไม่ได้ดั่งใจก็ดีให้รู้เท่ารู้ทันแล้วไม่ทำไปตามมันมันง่วงต้องหาวิธีการแก้นั่งสร้างจังหวะมันง่วงมันซึมทำให้ไหวขึ้นถ้ามันยังไม่หายลุกเดินถ้าเดินแล้วยังง่วงอยู่อีกเดินให้เร็วขึ้นเดินหน้าถอยหลังนี่คือการไม่ยอมจำนน กับความง่วงความฟุ้งซ่านเหมือนกันหลายคนคุ้นเคยกับการที่นั่งหลับตาเพื่อจะไม่ให้คิดอะไรแล้วเข้าใจว่าอันนั้นล่ะคือความสงบอันนั้นล่ะคือความสุขใช่แต่มันเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากปัญญาเป็นความสุขที่เรากดทับความคิดเอาไว้ ไม่ยอมให้ความคิดไม่ยอมให้อารมณ์ต่างๆแสดงออกมาสิ่งนี้เจ้าใจตะก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์สองท่านในฌานสมาบัติ7สมาบัติ8แต่ท่านก็ยังเห็นว่าความสุขนี้ยังเสื่อมได้คลายได้ท่านเลยทิ้งจากครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านนั้นและไปเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ค้นพบว่า ความสงบที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ความสงบแบบนิ่งไม่รู้อะไรแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการตื่นรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราแล้วเกิดการปล่อยวางอย่างที่เราฝึกกันเนี่ยบางคนบอกโอ้โหฟุ้งซ่านเลยไม่ได้มาปฏิบัตินี่ไม่เคยฟุ้งซ่านขนาดนี้เลยทําไมมาปฏิบัติแล้วมันฟุ้งซ่านจังเลยมันทาไม่ถูกแล้วมั้งนะไปคิดอย่างนั้นแล้วก็เลิกทาไป จริงๆความฟุ้งซ่านมันก็เป็นธรรมดาเน่จิตมันมีหน้าที่คิดแต่หน้าที่ของเราคือมันคิดไม่ตามไปแต่ไม่ห้ามนะมันคิดฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันไม่ตามไม่ห้ามกลับมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวที่ก่ายเคลื่อนไหวตรง น, นี้แหละจะเป็นการทิ้งหรือเป็นการปล่อยวางความคิดไปเองแต่ก่อนเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ฝึก มันคิดอะไรแล้วก็ตามมันไปเป็นบ้าเป็นบอไปกับความคิดสุขเศร้าสนุกสนานไปกับความคิดบางทีนอนยังคิดเลยมันโลภมันโกรธมันหลงก็เพราะความคิดนี่แหละตรงนี้นี่เองถ้าเรารู้เท่าทันแล้วทำตรงนี้บ่อยๆเห็นตรงนี้บ่อยๆเพราะในความฟุ้งซ่านเนี่ยถือว่าเป็น อุปกรณ์ในการเรียนรู้ไม่ใช่อุปสรรคเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาถ้าไม่มีความคิดฟุง้งซ่านคือเราไปกดทับเอาไว้พยายามนั่งหลับตากดนิ่งไม่คิดอะไรเลยแล้วก็มีความสุขดื่มดำจมไม่กับความสงบไม่เกิดปัญญาอันนั้นก็เรียกสมถะ แต่การที่เรามาเคลื่อนไหวเนี่ยมันคิดอะไรเรารู้ไม่ตามกับมารู้สึกตัวเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเนี่ยปัญญามันจะเกิดมันเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดหรือจดจำและเป็นประสบาการณ์ของเราด้วยใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่่คยทันหรอกคิดไปสิบเรื่องไม่ทันเลยสักเรื่องหนึง่งแต่ดูมันตรงเนี้บย บ, ยบย่อยๆดูแล้วดูอีก เดี๋ยวคิดทิบเรื่องรู้ทันเรื่องที่สิบทำไปทำไปรู้ทันเรื่องที่เก้าทำไปทำไปรู้ทันเรื่องที่แปดทำอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสุดท้ายเห็นคิดปุ๊บรู้ปับตรงนี้แหละมันจะเริ่มเป็นอัตโนมัติใหม่ๆนิ่ก็ต้องเจตนาหน่อยตั้งใจหน่อยแต่ทำไปทำไปเดี๋ยวเป็นอัตโนมัติเองอันนี้เป็นเองนะ <c oughs> อย่าไป สร้างหรืออยากจะคาดคะเนคาดหวังให้มันเป็นเราทำของเราเนี่ยทำความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยบ่อยๆทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบในรูปแบบก็คือเดินจงกรมสร้างจังหวะนอกรูปแบบก็คือกินดื่มพูดคิดหรือทำอะไรก็ตามให้มีความรู้สึกตัวแล้วคอยสังเกต มันจะมีความคิดแวบๆเข้ามาก็รู้ทันมันแล้วอย่าไปเพลินกับมันอย่าไปตามมันแต่ไม่ห้ามนะกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นนาที่จะทําให้เราเนี่ยรู้เท่าทันความคิดปงแต่งรู้เท่าทันความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์จากพุทธประวัติเนี่ยเราได้ยินว่าเจ้าชายตะ ได้บรรลุวิชาสามคือระลึกชาติบุพเพษาวาสานุสติญาณ น, นะแล้วก็จตุปปาทยานและอาสวัคยายานซึ่งโดยตัวหนังสือเนี่ยก็คือการระลึกชาตินะไปถึงชาตินู้นชาตินี้ว่าเกิดเป็นอะไรไปทำอะไรบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้าง แล้วก็เป็นการเกิดขึ้นของสัตว์ต่างๆนและสุดท้ายก็เห็นอาสวัคยายานก็ปล่อยนะหลุดจากอาสวะได้อันนั้นในแง่ของตัวหนังสือแต่จากการปฏิบัติเนี่ยเราเคยสังเกตไหมบางทีเราย้อนระ ล, ลึกไปถึงสิ่งที่เป็นเรื่องราวในอดีตบางทีตั้งแต่เด็กๆ เ, เราทำดีบ้างทำชั่วบ้าง ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำบ้างมันเป็นตราบาปอยู่ในใจบ้างหรือบางทีก็ระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอันนี้พอจะเรียกว่าระลึกชาติได้ไหมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะเป็นข้อสังเกตและการที่รู้การเกิดขึ้นของสัตว์ต่างๆเนี่ยจตุปปาตยานเนี่ยก็คือเห็นจุดกำเนิดของความคิดจุดกำเนิดของความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ย เห็นแล้วเห็นอีกจนความคิดมันหลอกเอาไม่ได้นี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งแล้วถ้าเราเห็นบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นอย่างเหนียวเห็นอาสวะที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเราซึ่งเป็นกิเลสต่างๆถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยการวางนะมันจะออกจากความทุกข์ได้ออกจากอาสวะกิเลสทั้งหลายได้อันนี้ก็เป็นเพียงข้อสังเกตนะ จริงเท็จยังไงเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองบางคนบอกเราไม่มีโอกาสนะที่จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถระลึกชาติย้อนไปถึงเมื่อสิบชาติที่แล้วร้อยชาติที่แล้วแต่ถ้าเรามาดูเรื่องราวในอดีตที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยมันก็เป็นชาติได้เหมือนกันอันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตนะจึงอาตมาได้มีโอกาส <c oughs> ได้ยินได้ฟัง <c oughs> ครูบาอาจารย์บางท่านพูดเรื่องนี้ในลักษณะอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปลบล้างสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตินะเพราะนั้นการ <c oughs> ที่เราได้เห็นประสบกับตัวเราเองแล้วมันเกิดผลก็คือเรารู้เท่ารู้ทันความคิดตรงแต่ง รู้ทันความอยากที่มันแสดงตัวออกมาเห็นแล้วเห็นอีกเห็นบ่อยๆมันจะเกิดความเหนื่อยความหน่ายความคลายออกเกิดการปล่อยวางเองเป็นความปล่อยวางที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ปล่อยวางเพราะคิดเอาหรือจดจำเอาหรือว่าท่องบนเอานี่เป็นผลจากการปฏิบัติเพราะนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกระทำได้อาจจะไม่ได้ผลยิ่งใหญ่เหมือนกับท่านแต่ว่าเราได้ผลเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ทำบ่อยๆสะสมไปเรื่อยๆรู้ทีละนิดทีละหน่อยก็คือการตัดสลูน้อยๆเหมือนกับเราหยดน้ำลงในองค์ ทีละหยดหยดไปเรื่อยๆอีกหน่อยมันเต็มองแน่ความตื่นรู้จากตื่นรู้น้อยๆจากเดิมที่เราไม่เคยสนใจเห็นการเคลื่อนการไหวของกายเราก็เริ่มเห็นเห็นความปวดความเมื่อยซึ่งแต่ก่อนมันก็มีอยู่แต่เราไม่เคยสนใจเราเริ่มมาเห็นเห็นความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเราก็เห็น เห็นทีละนิดทีละหน่อยประพิมพประพายสว่างน้อยน้อยในท่ามกลางาความมืดเป็นแสงสว่างน้อยน้อยเหมือนหิ่งห้อยยามค่ำคืนก็ยังดีกว่ามืดตึด๊บไม่มีแสงสว่างเลยจากแสงสว่างน้อยน้อยนี่แหละเราทำบ่อยๆด้วยความเพียรด้วยความพยายามความอดทนไม่ยอท้อไม่ยอมแพ้สุดท้าย จากแสงสว่างนน้อยเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นในจิตในใจของเราเป็นความสว่างสวัยที่รู้เท่ารู้ทันกิเลสตัณหาอุปทานความไม่รู้เพราะนั้นในวันวิสาขบูชาเนี่ยเรามาเฉลิมฉลองด้วยการตื่นรู้ด้วยการเจริญสติ ด้วยการทำจิตภาวนาถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกวันจะเป็นวันแห่งการตื่นรู้เป็นวันวิสาขาบูชาทุกวันไม่ใช่ไปรอเอาวันเป็นสิบห้า่เดือนหปีหน้าค่อยมาเฉลิมฉลองแต่เราสามารถเฉลิมฉลองได้ทุกวันด้วยการเจริญสติวันทุกวันก็จะเป็นวันวิสาขาบูชา เป็นวันที่เราได้ระลึกนึกถึงและก็ปฏิบัติด้นะไม่ใช่ระลึกนึกถึงธรรมดาเราปฏิบัติลงไปเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติไม่ใช่บูชาด้วยวัตถุสิ่งของหรือความเชื่อหรือการอ้อนวอนแต่ลงมือกระทาปฏิบัติแล้วตรงนั้นล่ละคือสิ่งที่เราน่าจะได้รับในการเฉลิมฉลองวันวิสาข บ, บูชา ที่แท้จริงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้พวกเราได้พิจารณานะแล้วก็น้อมนำออกไปประพิปฏิบัตนะิก็เชื่อว่าด้วยความเพียรความพยายามของพวกเราทุกคนนะจะทำให้เราได้ประสบความสาเร็จได้รู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รู้และได้ออกจากความทุกขนะ์ใน ปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร